หอมบ่อให้ลูกหลานฟังคักๆบ่อให้เที่ยวดาวฟังวันอไปเที่ยวดาเพื่อนชีฟังกับทุดแท่แ ต, แต่เห็นลูกหลานนางฟัง ก, บกนะับบ้หหาหลดวันนู้นบาใช้ไม้เห็นแตยิ้ชัดเจนพอห น, นันเอ็มพี่สามของโรงพ่นี่ทุกแผนพูดเรด็วเสียงชัดแต่ว่าเนื้อหาสารานั่นอนั่นตามสไตล์ของไผ่ของมั่นวันน่นสไตล์หลงพออินวนนั่นไปมีทั้งชาดกมีทั้งยังครบวัดทวนไปยุได้หันมาทวนอแต่ก็เป็นที่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 แล้วก็ฟังเทศหลวงตาเข้าใจแต่พยายามพูดให้แฟนพั่าแฟนนี่เป็นลูกเตอร์เฮือนเนี่ยแฟนบอกเข้าใจผู้ชายนะแฟนเบอาเนี่ยก็บอกเข้าใจเทไงไปฟั่งเข้าไปแล้วฟังเทศหลวงตาบอกเข้าใจยิ่มันเป็นยังไงเออแต่มา่างานงานของหลวงตาในรัฐบาลเนี้ยงานหลวงตาในหลว ง, งพ่อขึ้นไปเทศเอไปเทศในงานหลวงพอบอกอยาหมื่นเสาเปิงในโทรทัศนดออาจารย์องค์นี้บอกเข้าใจไว้สินเออ <laughs> เอเอ องค์นี้เบเข้าใจว่า่เนีถึงได้ก็ต้องไปกราบเพื่อนใดเราสันลูก ป, ปูไถองหนึ่งลูก ป, ปูอินนี่องค์งนหนึ่งว่าท่นเลยฟังเข้าใจว่าท่านเนี่ยว่าเหมือว่าเนี่ยพหลูทะเลมหาลงพอนี่ท่านอาจารย์เนี่ยพอบ้านของดิฉันนี่ฟังเทศลงพอนี่เข้าใจว่าท่นไหวฟังเทศลงตาบ่เข้าใจว่า่นหวสร้างวาแต่ท่านี่ว่าแต่ในยี้เนามาหลายคนคือกันนี่ยใ น, นมาหลายคนคือทาฟังเทศลงตาโดยมากลงตาเทศ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 พรสงทั้งหลายสมัยใดพระพุทธเจา้าสมัยที่พระพุทธเจ้าเข้มแข็งไม่ยออ่อท้อเพิ่นเ ว, วาเป็นชาติรกขึ้นมาแล้ววันนะบอกว่านะี่สมัยนั้นเข้าไปเฮียนทังสีจบมาแล้วอาจารย์มอบออาพุธไห้เข้าทะนูให้เข้าด่าไห่เข้าตะพดไห้เข้าอบมดเข้าก็ถือไม้เข้าจะไปทางใดนี่เอขั้นไปทางนึงขั้นมันไปทางทางโค้ง มันเขาโค้งโปดไปทังซื่อเขาก็บว่ามีมีอมนุษย์มีพวกเนี่เบื่อทั้งไปเคยดักกินคนมาเฮ้าเคยมีอาวุธทั้งครบปานเอ๋อเฮ้าจีเปย์ยานยังหวะแต่ไรก็จะไปล่องมาอาวุธป้องจักรกลข้าวเหนียวท่านก็นเลยเดินทางมาทางหลัดพ่อมากัมาคือเข า, าหอดกลางตงเลยเติหลีบานเนี้ยหยักตัวนึ่งก็มาออกมากขวางทางเดวไปพ่อมาเออมาไร่่นจะไปไหนเนี่ยท่น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 เธอนี่ยลู่ลิดของข่าวไปเจ้าน่อยไปสันเนี้ข่าวไปเจ้ามีอาวุธทั้งหาที่จะสังหารทันใดกันแล้วกัน น, ก น, น, นี่อีกน้าสันนี้แต่ทางยาวยากเอาเอาเลยสันนี้ขึ้นนั่นมาสันนีอ ย, ยากไปไม่อยากขนเหนียวมาเนี่ขนเยามาเนี่ยยลุยอยู่าเนี่ ย, ย, ยแต่นี็ก็ถอดตะนูออกมากกับโกงเต็มที่เราเไปอาบยาพิษอีกต่างหากเลยตามหลักวิชาของอาจารย์สอนใหน้เรานี่ยไปใส่หนาวใสก็ตุกมาเนี่ ไปติดจุขนอยักเหมอนมันค น, นมันเหนียวด้วหอยตรงแหลงอยนเะนียยิ่งแบบรั่วเลยไปหาซีบดอกนี่ไปมดแอ่งแสงว่นเธอไปโอ้บอ่ไใดมันไปติดตะคนขนมันเออพอยิ่งเสร็จแล้วกระโดดออกมาอีกหยักกระน้ำออามาอีกเมื่อย่าเขามาได้สันดาบกูมีวดาบสันเนี่ยหยกกรยั่งยากย็กมาดโดดเข้าไปเอาดาบไปฟัน ว, วออันเไปเออพ่อดาบฟันเสร็จแล้ว ดาไปติดจุดขดอยากเกี่ยคนออกไปโตโตเองคนไปเดี๋ยวเอาหอกกลนี่ยมึงอยามาไกลนะหอกกุ้มีดาวกุศลกูีรษมึงพุ่งมึงทะลุก็แล้วกันอยากกัญญาเขาจะซาดเอกไปติดขนอีกพนีเชื่กันขอนตะพดแล้วบาดกู้ศีีนะแข่งมึงบาดนี่ยกุศเนี่มึงขามากกลกุศลมัดไปมดไปได้ได้เนอาวุธอาวุธที่มันเก่งคนออกไปเอาไว้คอนตีตีเต็ดเต็มึงอยากเขามาแลมึงก็แบบ กูกำปั่นกูมีอีกนะว่านเนี่เอเขามา้าเลยถ้ากาปัตปาปาานตีตีก็เต๊กกำปั่นใส่กบปันขวาเอาหนาแขงสัดกอีกเต๊หนาแขงเอเอาปากกัดตีกันไปไปบ๊วย่อมถอยันไปเออนี่ลหละเฮ็ดยังคือกันบานนี้พ่อยักป้าโทรท่นมันป่านนี่ท่นกูเคยกินคนมานี่กบบนมันบปานนี่เนะาะ่นพ่อเห็นว่ายักกันแล้วก็ตาเหลือกแล้วท่นเนีเ่ตายทั้งเป็นแล้วท่น่ย อันเห้นม่สร่างเก่งปณิเท่าทันยังคุยอีกเด้มึงอจกินกูนายักเท่านันแะกามึ่อกินกูเน่ยมึ่อนายด้กูเนี่ีนี่ของกายยจิสเท่าทันถ้ามึ่กินกูเข้าไปมื่อท่องเมื่อกะเพาะมึ่จะทะลุเลยแล้วทนเนี่เออคูใสญยากี่วันถ้าเมื่อกินกูเข้าไปมึ่อกะเพาะมึงทะลุเลยแล้วแต่มึ่ตายเลยแล้วท่านนี่กันมึงคืนกินกูเน่อยากเมื่อกยานตายขึ้นแนยวนห้ไป ผู้ถูกรู่มันเห็นมันโมนเคยเห็นปะเนี่โอ้โถโถโถเถอะนเจ้าสไปใส่สผมจะไปกลุ่งพระราษีเออเลาไม่เคยเห็นคนที่กล้าถึงขนาดตีเลยเอะนะสู่ถึงขนาดตีเลยเถอถ้าเล่าคืนกินแก้เนี่ยขาเนี่ยจะต้องถูกบาปกรรมอีกตั้งหากแล้วอาจจะเป็นผิดอย่างเถอะนะมันว่าผิดคือยังไ ง, ๆๆงกิน ถ้ากินเล่าเขาไปเนี่ยกินเพชเนะวะสันเพชรมันจะตัดกระเพาะของเธอนะเพิ่นบอกว่าเนี่เพชดนี่คือปัญญาของเฮาคนวะก็ผู้บริสัทธ์พว่าเพชนี่คือปัญญาของเฮาคนวะเนี่แหละมันต้องสู้วะสันเนสู้จนสุดความสามารถพอให้่นพวกท่านทั้งหลายจะเป็นพระป็นโนมก็ตาม่าไปทําะยังอ่อนอ่อนออยอออยไม่ได้แต่ต้องสู้เกิดมาต้องสู้พแห้งแล้ววะัน ไปส men, is, viu, Julia, certain, blades, uk, uk, ู่บทที่ถอยใดจังใดเห็นไหมขนาดเล่าสู่กับญาเข้าจึงใสอาวุธปัททุกทุกตัวเอใช้กระทังปัญญาเข้าโผล่ในสุดเข้าเอาตัวหลอดใดในมาค้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินค้องกลุงพระราษสี์สมัยนั้นเขาเป็นกุมารเป็นโพธิสัตว์เป็นลูกของพระเจ้าพระราษสีกลับมาในค้องหลาดนี่แหละให้พวกท่านทั้งหลายฟังไว้นะเกิดชีวิตต้องสู่ถอยบ่อใดนี่แหละ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 ศึกษาขรนขวาพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าหัวใจมูไดสิษยาบดไ ด, ด, ไ ด, ไดประสูตรพระวินัยพระอภิธรรมศึกษาให้เข้าใจเป็นคารวัตงาิโย้มก็คือกันธรรมมหาเลี้ยงฉีบธรรมมาคหาขายให้สุดเจล็ดเพราะชีวิตของเฮามันก็ะหูกอยู่แล้วว่าเป็นของประเทียงแทแน่นอนอิมอกหูจะคอยเท่าสิไปมือใดเท่ากับคนเจ้าซอแสวงหาทั้งสองอย่าง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 ตายแล้วบอสูญหน้านะตายแล้วเกิดอีกไงบาปบุญคุณโทษมีแต่บางก้นกสิถามว่านลงพอดขึ้นใจยังไงว่าตายแล้วบอศูนะเพราะพระพุทธเจ้าคู่วายอาจารย์หลวงปูง่หลวงตาเนี่ยเพิ่นบอกได้เพิ่นเน้นนักนแท้ๆวนันนไปเพิ่นย่ำแท้ๆวันน้ไปเออเพราะพุทธเจ้าเป็นบร่รมมาครูเพินเ่นไปนั่งพระวนาเนี่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วเอาร่างกายเป็นช่วงหนึ่งอาจ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 แต่ละแหง่งแต่ละหนุ่มมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นขื่นไผคขื่นมัน่นขึ้นกันขันหมุนถึงขื่น จ, จึงจุงรู้จักอพระพุทธเจ้าเพลินมีวิทยุลายขื่นเนี่ยของพพพเพลินพอเพลินบําเพ็ญมาแล้ววิทยุพระพุทธเจ้าในีลายขื่นหมุนไปเบิงเทวดาหมุนไปสูป่พรมอหมุนไปเบิงเปรตเป็นสัตวติราชานตกนรกหมุนไปเบิงเห็นมดเนีเพราะ ว, วิทยุของเพลินมันขื่นเดินเข่าได้กับทุกขื่นหันไปอพวกห่อเนี่ยื่นไผ่ขื่นมัน เออ็มจะมุนไปหาเอเอมก็พอได้ฮะอันเองขึ้กันนะ่ะไพ่นั่นสิียงเ่านั้นผูมิญาณทัศนะเพิ่นจึงหูได้เฮาต้องเชื้อพระพุทธเจ้าเชื้อพ่อแม่ผู้บ่ายจานหลวงปูหลวงตาเนี่ยเพิ่นยืนแล้วยันอีกพวกนักภาวนาทั้งหลายเนี่ยเพิ่นทิดเมื่อจิตสงบลงไปเพิ่นจึงหูจักท่านที่เลยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูญใช่ร่างกายสั้งขาเนี่ยดินน้ำร่มไฟร่างกายของเฮ้าเนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายตายแน่แน่มันเอาไปแต่สุดคิดใหญ่คือหน้ามาท้ำเนอคือรถนี่ต้องพังก่อนเแต่ว่าคนขับรถนี่ยต้องออกจากรถไป อ, ออกจากรถไปไปหาซื้อรถคันอื่นคันว่าคนขับรถเนี่ยมีทุนทรัพย์ในขณะที่ขับรถคันนี้อยู่เนี่ยสแสวงหาทุนทรัพย์หาเงินหาท่องเก็บสะสมไว้โดยความบวชประมาทก็คิดว่าอีกสักวันหนึ่งรถคันนี้จะต้องพังนะ่ะ รถคั้นในพังเฮาก็จะได้ซื้อรถขั้นอื่นอมาไหวใส่อีกการว่าโซเฟอร์มีความคิดยังสั่นนะโซเฟอร์คนนั้นเกิเพดพอรถขั้นในพังก็โบตกถูกได้ยากล่ะแต่บางโซเฟอร์บางคนอย่าง่บเชื่ออีกต่างหา ก, กว่าเนาะไปหือ่บเชื่อไปรถจะของสีพังเนาะไปแต่ผมก็ใส่ไปกูใส่ไปทั้งสิ่ละ่ะกบได้คดว่าปูยาตาย่ายเอปูถวดของเฮาหมู่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 คนที่มีบุญคือคนที่ไปไปแล้วก็คือคนที่มีเงินติดกระเป๋า บ, าบาันแหมลวงวิญ ญ, ญาณน่ะมีเงินติดกระเป๋าเต็มเป็นมีแต่เพชดนิน่จีนดานด้งหมะจะไปไส่ก็ไดบัดสิไปประเทศได้ก็ไดจะไปเกิดไสก็ได เ, เพราะใดเพราะคนมีบุญเพราะคนมีเงินกันว่่คนมีเงินเนี่ยออกจากล่างไปแล้วเฮ็ดจะไหนบัน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 อย่าไปหาแนวขีลาย่ขี่เล่ใเจ้าของนะหาแนวดีๆนะเนี่ยใจเจ้าของหาบุญหากุศลใจเจ้าของแนวมันบุตรีย่าหาใจเจ้าขอ ง, ของนะไปเนี่พอเฮาเกิดมาได้๋พบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ผูบา่ายจันเพิ่มมิตรสอนให้เฮาถ้ำดีเด้ออย่าตั้งอยู่ในความประมาทและลูกหลานเน้อตายแล้วบิดศูนเน้อนรกสวรรค์มีจริงอีิริได้ขันพวกลูกหลานอยากหู่จักว่านารกสวรรค์ตายแล้วเกิดตายแล้วศูนให้ดังภาะวนาเน้อ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 เศรษฐีเมืองไทยเขาคนด้วยคนละย่างกันเขาโบมันเช็ดแนวเดียวกันเด้เอียแต่เขาหาก็ได็เงินขึ้นเขาเนี่ะอันนี้คือกันคูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยเป็นาวนาของเพลนบางองค์กับเพลนทั้งเล่งทางปัญญาบางองค์ก็บเล่งทังสมาธิบางองค์กับเพลนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายไายจิตแก่ของเพลนลดพลเพิลนก็มาว่ให้เฮ้าฟัง่งไป